สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากลับมาอยู่ในกฎทองคํา20ข้อนําสู่ชีวิตที่สมานฉันท์และดีงามของท่านศาสารสารด็อกเตรฟิลิปเท็งนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณศาสนาจารย์สตอร์พิจลิโยทิงนครับที่ได้กรุณาแปลให้คนไทยเราได้อ่านพี่น้องครับในวันนี้เราจะอยู่ในสมดุลข้อที่11ก็คือสมดุลระหว่างความเด็ดขาด การหันหน้าเข้าหากันความเด็ดขาดกับการหันหน้าเข้าหากันผมขออนุญาตใช้คําว่าประนีประนอมหรือยืดหยุ่นครับความเด็ดขาดเข้มแข็งกับความยืดหยุ่นประนีประนอมหันหน้าเข้าหากันพี่น้องครับความเชื่อเป็นพื้นฐานที่เป็นเรื่องราวของความเด็ดขาดความเข้มแข็งครับปรับเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นพระเจ้าของพระเจ้า ความเชื่อเต็มพื้นฐานในพระคัมภีร์ปรับเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนครับพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดพลาดพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่สามารถมีใครจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดออกได้นั่นคือความเด็ดขาดของพระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนคุณภาพไม่ได้แปลเปลี่ยนคุณภาพไม่ได้แปลเปลี่ยนเนื้อหาสาระไม่ได้แต่กลับกันครับในกรรมวิถีบางอย่างหรือวิธีการบางอย่าง ก็กลับหันเข้าหากันได้ครับมีความยืดหยุ่นได้ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถจะปรับเข้าหากันได้นะครับนั่นคือความสมดุลเราจะต้องมีความสมดุลรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายแก้ไขไม่ได้เลยอะไรเป็นเรื่องของความเด็ดขาดนะครับและอะไรเป็นเรื่องของการที่ต้องหันหน้าเข้าหากันประนีประนอมกันยืดหยุ่นกันพี่น้องครับ ในกฎเกณฑ์บทบัญญัติของโมเสสในพันธสัญญาเดิมนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องเด็ดขาดเห็ไหมครับเป็นเรื่องเด็ดขาดแต่ตัวบทกฎหมายบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นพิธีกรรมนะเป็นศิลธรรมอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเราต้องพิจารณาดูว่าอะไรเป็นเรื่องเด็ดขาดเป็นเรื่องยืดหยุ่นได้ศิลธรรมหรือความถูกต้องทางด้านจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เด็ดขาดครับยืดหยุ่นไม่ได้แต่พิธีกรรมนะครับชาตินพิธี มันยืดหยุ่นได้ที่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพิธีกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องยืดหยุ่นหันหน้าเข้าหากันเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งพิธีชุนนัดนะครับยังเปลี่ยนแปลงได้เลยครับพี่น้องมีหลักฐานอยู่ในพระคัมภีร์เรื่องของการถวายบูชาก็เปลี่ยนแปลงได้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับมีการถวายบูชาแต่ในพระกัมพีใหม่มีการถวายบูชาเพียงแค่ครั้งเดียวคือพระเยซู ได้ส่งเส้นพระชนบนแมงเคนนั่นคือการถวายบูชาเป็นครั้งเดียวที่มีผลสูงสุดและเป็นครั้งสุดท้ายพี่น้องขับสัจธรรมในเรื่องข่าวประเสริฐกันถือว่าเป็นเรื่องเด็ดขาดคุณไม่เชื่อไม่ได้รับความรอดต้องเชื่อพระเยซูเท่านั้นเป็นทางเดียวนั่นแหละครับคือสัจธรรมความจริงในพระคัมภีร์ที่แก้ไขไม่ได้ต้องเป็นเรื่องเด็ดขาดต้องเข้มแข็งแต่วิธีการประกาศข่าวประเสริฐครับ วิธีการประกาศขา่าวประเสริฐน right ั้นเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนได้หันหน้าเข้าหากันได้ยืดหยุนได้เปลี่ยนแปลงได้ศัตริธรรมของคฤนจักร์นะครับความจริงที่เกี่ยวกับคุจักร์นั้นเป็นเรื่องที่เด็ดขาดเป็นความจริงที่ต้องมาจากพระกมภีนะครับแต่วิธีการบริหารคฤนักร์อาจจะต้องยืดหยุนได้ต้องหันหน้าเข้าหากันต้องแปลเปลี่ยนได้พี่น้องครับ เหตุที่พระธรรมกิจการได้บันทึกไว้ว่าฝ่ายอัครทูตและผู้ปกครองที่ขึ้นจากเยรูซาเล็มได้ประชุมปรึกษาหารือ ก, กันว่าผู้เชื่อไม่ต้องรับพิธีสุนัขพี่น้องเห็นไหมครับขนาดพิธีสุนัขนั้นยังปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นได้หันหน้าเข้าหากันได้หลังจากที่ประชุมแล้วนะครับปรากฏว่าการยืดหยุ่นตรงนี้บอกว่าผู้เชื่อไม่ต้องรับพิธีสุนัขก็ได้ แตเปาโลครับอคาทูตเปาโลกลับทําพิธีชุนัดให้กับพิโมทีปรากฏในกิจการบทที่16ข้อที่3นัะนี่เป็นเหตุที่ทําให้อคาทูตเปาโลได้กล่าวว่าเพราะว่าการที่ถือพิธีสุนัตรหรือไม่ถือไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสําคัญนั่นคือการเทศบุตรที่6ข้อ15นะครับพี่น้องครับท่านอคาทูตเปาโล ทำพิธีสุนัขให้ทิโมธีในกิจการบทที่สิหลังจากที่กิจการบทที่15ได้บันทึกว่าพวกบรรดาอัครทูตพวกสาวกนะครับผู้ป ก, กครองในเขตจักรเยรูซาเล็มประชุมปรึกษาเรือกันบอกว่าผู้เชื่อไม่ต้องรับพิธีสุนัขก็ได้แต่เปาโลกับทําพิธีสุนัขให้ทิโมธีนั่นหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยืดหยุน่นพิธีกรรมภายนอกเป็นเรื่องยืดหยุ่นครับอาจารย์เปาโล ท่านให้ทิโมธีมารับพิธีศนัตเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นหินสะดุดให้กับพวกคนยิวเวลาที่ไปประกาศที่ไหนตอนไหนเห็นไหมครับมันมีวัตถุประสงค์มันมีความยืดหยุ่นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถจะแปลเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้แก้ไขได้คุยกันได้หาทางออกร่วมกันได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างครับไม่ใช่เป็นเรื่องหลักข้อเชื่อ ไม่ใช่เป็นศาสนศาสตร์ไม่ใช่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นหลักการชัดเจนพี่น้องครับบางคนนั้นใช้เรื่องเด็ดขาดนะให้กลายเป็นเรื่องยืดหยุน่นบางคนถือความยืดหยุ่นเป็นเรื่องเด็ดขาดมันก็เลยฉับสนุ่นวายจนคลาดเคลื่อนในเรื่องของความเชื่อบางคนเอาเรื่องที่ยืดหยุ่นเข้าหากันได้มาเป็นเรื่องเด็ดขาดมันก็เลยทําให้เกิดระเบียบพิธีการที่ไม่จําเป็นมากมาย เป็นอุปสรรคในการประกาศข่าวะเสริฐและการพัฒนาของโบสถ์ของเราครรีจักรของเราทำให้เกินการผูกมัดตัวเองกับระเบียบ ต, ต่างๆข้อจำกัดประเพณีต่างๆวัฒนธรรมโดยไม่จำเป็นครับประวัติศาสตร์ของคิรีจักรนั้นมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากมายหลายครั้งหลายคราวทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตและทาให้เกิดการแตกแยกกันเพราะว่า เราไม่รู้ว่าอะไรควรจะยึดเป็นหลักการอะไรเป็นเรื่องของความยืดหยุน่นอะไรเป็นความเชื่อหลักนะครับความเชื่อหลักอะไรเป็นความเชื่อหยุมมยิมนั่นแหละครับมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแตกแยกเกิดการขัดแยง้งเกิดการทะเลาะกันพี่น้องครับเรามาดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับหนังสือปัญญาจารย์หรือพระธรรมปัญญาจารย์นั้นในบทที่7 ข้อ15ถึง18นะครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ15ถึง18นะครับข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นในชีวิตอนิจจังของข้าพเจ้าคือมีคนชอบทำพินาศในความชอบธรรมของเขาและมีคนอธรรมมีชีวิตยืนยาวในการอาธรรมของเขาอย่าทําตัวชอบธรรมเกินไปและอย่าอวดฉลาด เหตุใดเจ้าจะทำลายตัวเองเสียเล่าอย่าทำเกินไปหรืออย่าทำตัวเป็นคนเขาทำไมเจ้าจะไปตายก่อนเวลาของเจ้าเล่าเป็นการดีที่เจ้าจะยึดถือคำสอนนี้ไว้ออและไม่ปล่อยมือจากอีกคำเตือนหนึง่งเพราะว่าผู้เกรงกลัวพระเจ้าจะพ้นจากทั้งสองเรื่องพี่นะครับหัวข้อในพระคัมภีตอนนี้คือปริศนาชีวิตคือปริศนาชีวิตของท่าน ผู้เขียนปัญญาจาร์นั้นก็คือว่าเขาสงสัยและเขาถือว่าเป็นเรื่องอนิจจ์เพราะอะไรครับเพราะเาเห็นว่าคนชอบทําพินาศในความชอบธรรมและคนอธรรมมีชีวิตยืนยาวในความอาธรรมเพราะฉะนั้นปริรนาชีวิตนี้ก็จะมีคำตอบครับว่าอย่าทาตัวชอบธรรมเกินไปและอย่าอวดฉลาดเห็นได้เจ้าจะทาลายตัวเองเสียเล่าอย่าอาธรรมเกินไป และอย่าทำตัวเป็นคนเขา่าทำไมเจ้าจะไปตายก่อนเวลาของเจ้าเล่านั่นหมายความว่าครับหมายความว่าจะต้องมีความ ส, สมดุลครับสมดุลครับระหว่างอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายหลักการนะครับหลักคําสอนสาศาสนศาสตร์เพราะว่าเจตนของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับพอมาพูดถึงตรงนี้พี่น้องครับอาจจะมีบางท่านก็อาจจะ โตแยงครับบอกว่าศาสนาศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับผมอยากจะบอกว่าศาสนาศาสตร์หรือหลักข้อเชื่อหลักนะครับเป็นเมเจอร์ด็อกทรินนะครับผมเน้นคําว่าเมเจอร์ด็อกทรินก็คือความเชื่อหลักที่นําไปถึงความรอดความเชื่อในเรื่องของความชอบธรรมความเชื่อในเรื่องของ5เสาหลักหรือ5โ v e solar ต่างๆนี่ครับเป็นความเชื่อหลักครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเป็นความหมายของผมนะครับแต่ความเชื่อรองๆคืออะไรครับก็คือ เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับเป็นเรื่องที่กเทศนาวิธีการแอปพลายหรือการนำไปใช้สิ่งต่างเอานี้ครับมันอาจจะมีการตีความหมายบางสิ่งบางอย่างหรือการนำไปใช้บางสิ่งบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนกันได้ยืดหยุ่นกันได้เปลี่ยนแปลงได้นี่แหละครับคือความหมายที่ท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านได้หมายความไว้เมื่อผมอ่านครั้งแรกนะครับผมพยายามทาความเข้าใจ เราก็จะเข้าใจนะครับถ้าพี่น้องฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับก็เขียนมาถามได้พี่น้องครับอย่าอัดทามมากเกินไปและอย่าทําตัวเป็นคนเข่ามากเกินไปเจ้าจะตายก่อนเวลาของเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องรู้ครับว่าการอัดทามนั้นมันนําไปสู่ความตายครับเพราะฉะนั้นเกิดสมมติว่าคุณอยากจะทําอะไรซึ่งมันไม่ถูกไม่ต้องคุณต้องระวังให้ชีวิต อย่าทำเลยดีกว่านั่นแหละครับให้ชีวิตของท่านอยู่รอดปลอดภัยอย่าทำตัวเองให้อยู่ในความเสี่ยงหรืออย่าวางชีวิตของตัวเองให้อยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกทำล้ายทำลายพี่น้องครับนั่นคือคําสอนจา ก, พ, กจาาพระเจ้าตอนนี้เรากลับมาดูนะครับท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเท็งนั้นท่านได้อธิบา ย, ยาครับว่าฉะนั้นเรามาถึงบทสรุปครับว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อะไรที่เปลี่ยนแปลงได้อะไรที่ไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องถือไว้ให้ให้มั่นคงนะครับท่านาศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นก็หันมาพูดถึงเรื่องของศาสราศาสตร์ครับที่เมื่อกี้ผมได้อธิบายให้ฟังศาสนาศาสตร์นั้นในแต่ละยุคนะครับมันมีการพัฒนาขึ้นมาแต่ละยุคมันไม่เหมือนกันเพราะการสัมผัสกับกระแส ของโลกก็ต่างกันในพันธสัญญาเดิมนั้นมีสิ่งที่เหมาะสมนะครับที่ในสมัยนั้นในยุคนั้นได้สัมผัสแต่ในสำหรับยุคสมัยใหม่นะครับสิ่งที่ถือกันในพระกมพีเดิมบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำก็ได้เช่น <c oughs> ยกตัวอย่างครับระยะคลื่นของเครื่องรับวิทยุมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้คลื่นนะครับที่ออกมาเนี่ยรับไม่ได้ จำเป็นต้องปรับนะครับปรับวิทยุของเราให้ถูกทิศทางถึงจะรับคลื่นได้นั่นไม่ได้หมายความว่าสารศาสตร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จุดสัมผัสมันเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยครับมันมีมุมมองใหม่ของความเหมาะสมในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐวิธีการประกาศข่าวประเสริฐแต่วิธีการประกาศข่าวประเสริฐนั้นจะต้องไม่บิดเบือนเนื้อหาของข่าวประเสริฐเห็นไหมครับ ไม่บิดเบือนเนื้อหาของข่าวประเสริฐนี่คือข่าวประเสริฐนั้นเป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ครับแต่วิธีการประกาศก็ปรับเปลี่ยนได้การบิดเนื้อหาของข่าวประเสริฐนั้นก็ทําให้สารศาสตร์ที่ควรจะเข้มแข็งยืดหยุ่นไม่ได้เป็นสัจธรรมนั้นถ้าไปบิดมันก็เกิดความไม่สมดุลครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับว่าอะไร เปลี่ยนแปลงได้อะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดความสมดุลนะครับเพราะเนะของพระเจ้านั้นแน่นอนครับอยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เติมเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดีวยวกันครับหลายหลายคนนั้นก็ไม่มีาศาสนศาสตร์ซึ่งเป็นกรอบศาสนาศาสตร์นั้นผมได้เรียนไว้อยู่เสมอนะครับว่าเรียนทุกท่านไว้เสมอว่าเป็นกรอบครับที่จะคุมเรา ให้อยู่ในหลักความเชื่อที่ถูกต้องเมื่อเราแปลความพระก ร, รมปีหรือตีความพระก ร, รมปีพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆตรนี้อาจจะยุ่งยากสักหน่อยแต่ถ้าหากว่าท่านเรียนพระก ร, รมภีนะครับในาศาสตร์ศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วเราก็พี่น้องก็จะได้หลักข้อเชื่อและได้วิธีการนะครับหลักข้อเชื่อนั้นยืดหยุ่นไม่ได้ครับเป็นของตายตัวแต่วิธีการยืดหยุ่นได้ไม่ตายตัว ขอพระเจ้าไวพระพรและให้พวกเรานั้นได้เข้าไปถึงความจริงในข้อนี้มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆสัปดาห์ทุกสัปดาห์เมื่อเรียนพระกัมภีเมื่อศึกษาพระกัมภีอามเมน